เจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้รายการธรรมะส่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยเป็นประจำสำหรับวันนี้อาตมามีคติธรรมสำหรับ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 คติธรรมและพรปีใหม่จากประเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชะยะมังคลโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีรพร้อมกันจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน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 สัตบุรุษคนดีดังกล่าวนี้เป็นเพื่อนย่อมจะช่วยพยุงฐานะของตนมิให้ตกต่ำและให้มีแต่เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนี้คือคุณธรรมข้อที่สามที่ว่ากัลยาณมิตรตาถ้าหากเผลอพไลไปคบค่าสมาคมกับคนชั่วคนพานปัญญาชั่วปัญญาโฉดทั้งหลายแล้วย่อมนำตนเองไปสู่ความเสื่อมความทุกข์เดือดร้อนได้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 ไม่มั่วในกิเลสกรมไม่ลักชอและไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งหลายเหล่านี้เพียงห้าข้อนี้ถ้ารับรักษาประพฤติธปฏิบัติให้ดีก็จะยังความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขให้เกิดแก่ตนเพราะไม่เป็นความประพฤติธปฏิบัติที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ย่อมไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนและผู้อื่นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยศีลห้าพึงรักษาให้บริสุทธิ์สมบูรณ์อีกประการหนึ่งจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคถึงกาพร้อมด้วยความเสียสละสละอะไรสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถวิทยาการความรู้หรือศิละปะวิทยาการต่างๆ ต, ตลอดจนถึงธรรมะ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 คือประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นการให้ธรรมะแก่ท่านไปประพฤติธปฏิบัติถือโอกาสนี้เป็นการอำนวยพรให้ท่านทั้งหลายด้วยเพราะพรทั้งหลายแม้จะให้กันเพียงใดแต่ถ้าหากท่านไม่ประพฤติปฏิบัติทมตามธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรง แสดงไว้ดีแล้วนั้นยากที่จะเป็นมงคลคือความเจริญรุ่งเรืองและสันที่สุขแก่ตนเพราะฉะนั้นการรับธรรมะนี้ไปปฏิบัติก็ย่อมจะเป็นทางให้เจริญรุ่งเรืองและสันที่สุขเป็นสิริมงคลแก่ตนจึงขอธรรมะนี้เป็นพรสำหรับทุกท่านในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสันที่สุขของทุกท่าน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 การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมฝึกปฏิบัติภาวนาธรรมชำระจิตใจให้พ่องใสบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาณศาลาอนเนกประสงค์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม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 ประพุทธพจน์นั้นว่าตนของตนเตือนตนให้พ้นผิดตนเตือ น, นกิจตนได้ใครจะเหมือนตนเตือ น, นตนไม่ได้ใครจะเตือนย่าแชเชือนเตือนตนให้พ้นไผ่คติธรรมสาหรับปีใหม่วันนี้ทางรายการได้นํามาฝากท่านสาธุชนถึงลักษณะของการ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 ขอจงมาเป็นตบะเดชะพ ร, ระละวัปใจคุ้มครองสาธุชนผู้รับฟังรายการทุกท่านให้เป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนขอจงเป็นผู้มีแต่ความคิดถูกเห็นถูกพูดถูกกระทําถูกและนําผู้อื่นถูกถูกในปีใหม่นี้พรใดอันประเสรศิฐสิ่งใดที่เลิศที่สาธุชนปรารถนาขอให้สิ่งนั้นจงพลันสําเร็จทุกประการ เทนเจริญพร